ได้พาพระมาลัยเดินทางมาอย่างนรกคุ้มอื่นขุมนี้มีกำแพงเหล็กกว้างใหญ่ทันทีที่ประตูถูกเปิดออกพระมาลัยก็ได้เห็นสัตว์รกต่างๆมากมายถูกนายเนียรยาบาล บ, บังคับให้นอนลงบนแผ่นเหล็กที่มีเปลวไฟลุกเป็นโพรง เมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นถูกจับนอนลงบนแผ่นเหล็กที่มีปเปลวไฟความร้อนแรงของไฟนั้นก็ได้ย่างสัตว์นรกเหล่านั้นให้มีกลิ่นและควันฟุ้งไปทั่วนายเนยริยาบาลก็ไม่ได้นำใจจะเพียงแค่นี้เอามีดเอาหอกเอาดาบแล้เนื้อของสัตว์นรกเหล่านั้นออกกระชิ้นสองชิ้นเหลือแต่กระดูก แต่ถึงกระนั้นสัตตรกต่างๆก็ไม่ได้สิ้นลมขาดใจตายไม่เมื่อตายแล้วก็ได้กระฟื้นขึ้นมาใหม่ถูกจับนอนลงบนแผ่นเหล็กแดงที่ลุกเป็นเปลวไฟแล้วก็ถูกแล่เนื้ออย่างนี้ตาตายเป็นๆจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ได้กระทำมาเป็นเรื่องของเวรกรรมจริงๆ แม้จะถูกแล่เนื้อจนเหลือแต่กระดูกแล้วนี้เป็นเรื่องของวิบากกรรมที่ไม่สามารถจะอธิบายได้หลังจากนั้นพระมาลัยก็ได้ไปพบนกอีกคุ้มหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกเดียวกันแต่เป็นแดนที่มีภูเขาเป็นกำแพงห้อมร้อมและบทีประหารของสัตว์โกต่างๆเหล่านั้นก็แตกต่างกันไป โดยใช้ไม้บรรทัดเหล็กโตเท่าลำตาลที่ลุกโชดด้วยเปลไฟฟาดลงบนร่างของสัตว์รกเหล่านั้นให้นอนหงายบนผันเหล็กแล้วเอาเลื่อยเลื่อยตามเส้นที่ได้บรรทัดขีดเอาไว้ถัดไปเพียงเล็กน้อยก็เป็นแดนประหารของสัตว์รกอีกแดนหนึ่งสัตว์รกต่างต่างเหล่านั้น ถูกจับแล้วเอาลวดเส้นใหญ่โตที่มีเปลวไฟลุกเป็นโพล์มัดมือมัดเท้าแล้วจับให้นอนหงายบนแผ่นเหล็กแดงนายนิยรยาบาลก็ได้เอาค้อนเหล็กอันใหญ่โตทุบ ก, กระนำตีต่อสัตว์รถต่างๆเหล่านั้นทุบศีรษะมันสมองก็แตกกระจายทุบมือทุบเท้าทุบลำตัวต่างๆเลือดไหลนองร่างกายบดบี้แบนไปตามๆกัน นอกจากนี้ยังมีนายเนียรยาบาลได้จับสัตว์นรกที่ถูกมัดด้วยลวดไฟจับย่อนลงไปในหลุมที่ลึกแค่เอวชับพันด้ยก็มีลูกกลิ้งทรงกลมขนาดใหญ่มีเปลวไฟลุกโดยโชวช่วงไหลกลิ้งมาทับบดขยี้สัตว์นรกเหล่านั้นให้แหลกเหลวบี้แบนไปราวกับรถบดถนนและบดคนฉะ น, นั้น <S <S ต่อจากนั้นท้าพญายมราชก็ได้พาพระเทละไปชมนรกขุมอื่นๆต่อไปนรกขุมต่อไปนั้นก็คือโรรุวะมหานรกสัตว์นรกในแดนนี้ต้องเสวยทุก์เวทนาในดอกบัวเหล็กแล้วก็มีวิธีเสวยทุก์ก็แปลกประหลาดนั่นก็คือนอนคว่มหน้าอยู่ที่กลางดอกบัวเหล็กอันใหญ่โต แล้วมีเปลวไฟลุกโฉดช่วงศีรษะของสัตว์นรกเหล่านั้นมิดเข้าไปในดอกบัวแค่ขคางส่วนทางปลายเท้านั้นก็จมมิดเข้าไปในดอกบัวเหล็กเพียงแค่ข้อเท้ามือทั้งสองข้างก็กางจมมิดเข้าไปในดอกบัวเหล็กแค่ข้อมือนอนคว่ำหน้าอยู่ด้วยอากาศอันแปลกประหลาดแล้วก็ร้องไห้ส่งเสียงคร่ำครวญต่างๆนาน า, น า, น า, นาน นี่เนี่ยท่านท้าพญายมราศัตรกเหล่านี้อาตมาเห็นแล้วน่าสงสารจังเลยอาการที่แปลกพลิกอาตมาก็ได้เห็นอยู่เปลวไฟแลบคอหูซ้ายและออกรูหูขวาแลบคอรูหูขวาออกรูหูซ้ายบางทีเปลวไฟก็แลบเข้าช่องปากออกรูจมูกบางทีเข้ารูจมูกแล้วก็ออกทางตาบางที เขาออกทางตาแล้วออกมาที่ปากออกผ่านทางทวารต่างๆเออช่างน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งอะไรจะน่าทุกปานนี้เล่าพระคุณเจ้าผู้จเจริญเออสัตว์นรกที่ได้มาเสวยกรรมในโรรวะมหานรกนี้ ก, ก็เป็นสิ่งที่น่าสงสาร เสียรอหไห้คามโครวของเขาไม่สามารถจะทำให้ความเจ็บปวดของเขาบรรเทาทุกข์ลงไปได้เลยเขาถูกพระมานอย่างนี้จวบจนครบอายุไขคือ 4,000 ปีนรกในวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาก็เท่ากับ234ล้านปีในเมืองมนุษย์ เออพระคุณเจ้าวู้เจรสี 4,000 ปีนรกก็ลองคูณดูสิครับว่ามันจะยืนยาวขนาดใดไม่รู้ว่าจะสามารถอ่านค่าของตัวเลขได้อย่างไรเลยทำไมช่างยืนยาวถึงขนาดนี้เล่าจริงๆแล้วนรกคุกอื่นๆนั้ น, น, นก็มีอายุของนรกแต่ระนรกนั้นไม่เท่ากัน ส่วนมากแล้วก็จะยืนยาวนรกบางขุมก็ยืนยาวกว่านี้ก็มีบางขุมเป็นอันตรกับหรือเป็นกับกับก็มีเออแต่รูปความว่าไม่สามารถจะประเมินได้เลยว่ายืนยาวสักเพียงใดเพราะว่าเวลาของทางโลกกับเวลาในเมืองรกนั้นแตกต่างกันมาก เออเป็นเช่นนี้แล้วขอบพระคุณเจ้านิมนต์ไปชมนรกคุมอื่นต่อไปเถอะครับต่อจากนั้นท้าพญายมราชก็ได้พาพระเถระไปชมนรกคุมอื่นต่อไปนรกแห่งนั้นจะมีสัตว์นรกต่างๆ ผูกนายนิยรยาบาลเอาเหลาเหล็กใหญ่โตเท่าลําตาลแล้วก็เสียบเข้าที่ทวารหนักทะลุถึงศีรษะเบื้องบนและเอาเหลานี้ไปปิ้งเผาไฟในนรกสัตว์ต่างๆเหล่านั้นได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสซึ่งเปรียบเหมือนถูกย่างทั้งเป็นนั่นเองจะตายก็ตายไม่ได้เป็นอย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมที่ได้กระทามา ท่านพญายมราชที่นี่นรกขุมอะไรเล่าทําไมรู้สึกว่ากว้างใหญ่มากกว่านรกขุ ม, มอื่นอีกมากมายแถมสัตว์นรกต่างๆนั้นก็แออัดยัดเยียดมีเปลวไฟที่ร้อนแรงมากกว่าเปลวไฟนรกขุมอื่นด้วยซ้ําไปถูกแล้วพระคุณเจ้านรกขุมนี้แหละเป็นน ร, นรกขุมใหญ่ที่มีชื่อเรียกว่าอาเวจี มหานรกพระคุณเจ้าสัตว์นรกที่ได้มาเกิดในนรกขุมนี้นั้นก็ล้วนแต่ได้ทำกรรมอัลลามกอัญยาบช้าเกินกว่าที่จะให้อภัยได้เลยแม้แต่บิดามารดาของตนผู้มีพระคุณ เขาเหล่านี้ก็ยังหลงกระทำกรรมทำร้ายหรือฆ่าบิดามารดาของตนเองเออช่างน่าสังเวชเป็นอย่างยิ่งบางพวกก็ทำร้ายราพระปิสุสงผู้มีศีลทำร้ายพระอรหันต์ทำร้ายรพระพุทธเจ้าบ้างก็ยุยงสงให้แตกกัน สัตว์นรกที่อยู่ในเอเวจีมหานรกนี้จะมีลำตัวสูงใหญ่ดังที่พระกุณเจ้าได้เห็นแล้วนะครับ